เน่ยวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาบรรยายธรรมให้พวกเราได้สดับรับฟังเพื่อเป็นยาใจเนาะอาหารใจก็คือธรรมนะเนี่ทีโอที ก็ทุกสถานที่แหละเดี๋ยวนี้ก็มีการหันหน้าเข้ามาหาพระพุทธศาสนาอันนี้ถึงจะถือว่าเป็นกำไรชีวิตนะเข้ามาหาศาสนานี่เป็นกำไรชีวิตพวกเราก็เจอกันหลายรูปแบบหลาย รูกรักษณะในธรรมะ <c oughs> ได้นิมนต์พระสายปฏิบัติมาบรรยายธรรมก็คือให้ข้อคิดของผู้ปฏิบัติให้วิธีของผู้ปฏิบัติให้กำลังใจของผู้ปฏิบัติ ความเจริญทางด้านจิตใจเนี่ยมันอาศัยหลายอย่างที่สนับสนุนเข้ามาอย่างเช่นพระพุทธศาสนาก็เป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งแต่พระพุทธเจ้าเน้นจุดสำคัญอยู่คือให้พวกเราว่าเชื่อบาป เชื่อบุญนะเชื่อกรำเชื่อผลของกรรมเชื่อว่านรกมีสวรรค์มีพรมโลกมีพระนิพพานมีนี่พระบุรีเจ้าเน้นให้พวกเราเชื่อตรงนี้แต่ความเป็นไปของความดีความชั่วของบาปของบุญความเป็นกรรม กรรมดีกรรมชั่วใครจะไม่ใครจะเชื่อเขาก็เป็นไปใครจะไม่เชื่อเขาก็เป็นไปไม่ได้เกี่ยวกับความเชื่อหรือไม่เชื่อแต่สำหรับผู้ที่จะหนีทุกต้องมาจับเอาเหตุตรงนี้ถ้าเราไม่เชื่อ สิ่งที่กล่าวมานี้ก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติไปทำไมศาสนาก็ไม่ได้มีความหมายนี่คือรูปแบบของความเป็นศาสนาะพวกเราก็ไม่ใช่ธรรมดาเกิดขึ้นมา เกิดขึ้นมาในถ้มกลางของพุทธธรรมสังฆเลยนะถือว่าพวกเรานี้แบกว่าอยู่ในมหาสมุทรของกองบุญแบกว่าอยู่ในมหาสมุทรของธรรมแต่ไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจเลยการที่จะเอาบุญหรือว่าการที่จะปฏิบัติธรรม หลายครูบาอาจารย์มาเทศมาสอนเราอย่าทำตัวเป็นนักฟังเทศตัวจากฟังเทศไปคือทำตัวให้เป็นนักปฏิบัติหลายครูบาอาจารย์ที่มาให้อุบายไว้อะจับจุดให้ได้ ทุกสิ่งทุกอย่างในการประพฤติปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนยุบหนอพองหนอสัมมาอารหังพุทธโธจูลมหายใจก็จี้ลงที่จิตที่เดียวเนีย่ยคือการปฏิบัติหลักการปฏิบัติ พวกเราอย่าเป็นนักฟังเทศเฉยๆพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้แล้วว่าอานิสงส์งจากการฟังเทศก็ได้บุญเหมือนกันแล้วพวกเราจะเอาแค่นี้เหรอมันไม่มันไม่พอนะไม่พอความเป็นศาสนาเนีย่ย อย่าคิดว่าเราจะมาเจอกันได้ง่ายๆนะแต่พบนี้ชาตินี้เรามาเจอแบบง่ายๆเลยหลวงตาสาธุหลวงตาหวงตาท่านกล่าวไว้ดีนะท่านบอกว่าศาสนานี้เนี่ยเป็นของที่มีคุณค่ามากกว่าเงินกว่าทอง มากกว่าสิ่งไหนในโลกเพราะอะไรเหรอเพราะสิ่งอื่นในโลกไม่สามารถที่จะทำความสะอาดทางใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ได้ศาสนานี้แหละจะเป็นขเรื่องขัดเกลา จิตใจให้ใสบริสุทธิ์สะอาดขึ้นมาได้ศาสนานี่แหละจะเป็นเครื่องชี้ให้พวกเราเดินเข้าไปหาความสุขที่แท้จริงศาสนานี่แหละจะเป็นเครื่องหล่อหลอมทุกทุกชีวิต ให้เป็นไปในทางที่ดีถ้าพวกเรานั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้สมมุติว่าไม่มีศาสตราพุทธพวกเราจะได้ฟังเทศไหมพวกเราจะได้ใสาบาทไหมพวกเราจะได้ถวายของถวายทานไหม ไม่ได้ถวายนะไม่มีเราไม่ใช่ว่าใส่เครื่องแบบของศาสน า, าพุทธแล้วจะมายกย่องว่าศาสนาพุทธดีไม่ใช่นะศาสน า, าอื่นไม่ดีไม่ใช่นะ รามาพูดแบบให้มันเป็นความถูกต้องคือศาสนานะมีตั้งเยอะในศาสนาในเมืองมนุษย์นี่นะ่ะศาสนามีตั้งเยอะทุกทุกศาสนานะนะั่นสอนให้คนเป็นคนดีทั้งนั้นแต่ศาสนาอื่ น, อนสอนให้พวกเรา ออกจากวัตตะไม่มีนะศาสนาอื่นสอนให้เราปฏิบัติตนให้เข้าถึงความเป็นอมาตะธรรมไม่ได้นะศาสนาอื่นๆนั่นคือศึกษาไปหมดตัวหนังสือก็คือเจอทางตัน คือหมดคือจบแต่ศาสนาพุทธิมต่อนะจบตัวหนังสือแล้วมีการปฏิบัติการปฏิบัตินี่คือการเดินทางออกจากทุกนี่คือคือศาสนาพระพุทธเจ้านะ่ เป็นผู้มีใจบริสุทธิ์รักพวกเราด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้เจือปนด้วยความโลภความโกรธความหลงอิจฉาพระยาบาอะไรเลยความบริสุทธิ์อันนี้ไม่ได้เจือปนอะไรทั้งนั้นรักพวกเรามากที่สุดบำเพ็ญสร้างตนให้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ย จะทุกขนาดไหนไม่ได้คิดถึงเลยความเป็นพระพุทธเจ้านี่ใช้ความเป็นบิญญาณนี่แหละไปทัศนศึกษาทุกภพทุกชาติเพราะฉะนั้นชาติพบไหนพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปไม่ได้เป็นไม่มีนะทัศนศึกษาเพื่อที่จะ สร้างตนให้เป็นพระพุทธเจ้าสร้างบารมีด้วยบารมีสิบทัศน์นี่นะทนทุกทรมานมาสีอสองไขยแสนมหากับสุดท้ายก็ได้มาเป็นพระพุทธเจ้าตราจะรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยกว่าจะเป็นรูปแบบของศาสนาเต็มรูปแบบใช้เวลานานนะ ใช้เวลานานแต่เจตนาจริงๆของพระพุทธเจ้าคือจะมาขนพวกเราไปพระนิพพาน <c oughs> พูดง่ายๆหลังจากที่พระพุทธเจ้าจะรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจะมองเห็นโลกอีกใบหนึ่ง แอบมองเห็นโลกอีกใบหนึ่งโลกใบนั้นพระพุทธเจ้าให้ชื่อว่าพระนิพพานซึ่งโลกใบนั้นไม่มีทุกข์ถ้าใครไปถึงโลกใบนั้นแล้วนี่จะมีแต่ความสุขความสบายร่าเริงอยู่ตลอดเวลา ไม่ได้กลับมาเกิดมาตายอีกแล้วเป็นบิญญาณที่เป็นนิรันดรจริงๆเข้าสู่พระนิพพานแต่การที่จะไปโลกใบนั้นน่ะจากโลกสมมุติใบเนี้เก้าเข้าไปสู่โลกความเป็นมิมุติคือพระนิพพานเนี่ยเขาทำกันยังไง เขาไปกันยังไงเขาสอบกันยังไงเขาเปิดสอบเวลาไหนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะผู้ที่จะไปโลกใบนั้นอนะโลกไม่มีทุกข์นั่นนะโลกที่เป็น อมะตะธรรมโลกแห่งความไม่ตายก็ต้องเรียนต้องสอบกันอยู่ในโลกหลอกลวงอันนี้ลหละเดี๋ยวนี้พวกเรายืนอยู่ในจุดของโลกแห่งความหลอกลวงนะพวกเราสู้กับสิ่งที่ไม่มีแก่นสาร สู้กับสิ่งที่เอาไปไม่ได้สู้กับสิ่งที่มีบทหลอกลวงอยู่ทุกวินาทีโลกใบนี้พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว100้ร้อยเปอร์เซนเลยว่าจะหาความจะหาสิ่งใดเป็นปกติไม่ได้ไม่มี ไม่มีความเป็นปกติเขาจะมีความเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาเนี่ยพวกเราพวกเราเนี่ยถือมาบุญมหาศาลนะแต่พวกเราไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักเป็นจักตายเลยนะ เราก็ไม่รู้ว่าเราก็เคยเป็นเหมือนกันนะแต่ถ้าถามจริงๆว่าพวกเราต้องการอะไรกันแน่เดี๋ยวนี้พวกเราต้องการอะไรกันแน่จัดตั้งให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นเจ้าของกรุงเทพขึ้นมาก็ไม่มีใครรับอยู่นี่น่แต่ต้องการอะไร พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้อย่างร้อยเปอร์เซ็นะว่าท่านท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่เนี้ยลวนแล้วแต่เป็นคนที่ต้องการความสุขกันทั้งนั้นลหละแต่ขอบอกไว้นะว่าถ้าพวกคุณจะมาค้นหาความสุขที่แท้จริง จากวัตถุสิ่งของหรือว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่านอย่าได้คิดเลยว่าท่านจะเจอความสุขที่แท้จริงต่อให้ท่านมีอายุสักสองพันปีท่านก็หาไม่เจอในโลกแห่งความหลอกลวงใบนี้เพราะเขาไม่มี กลินไอของความสุขที่แท้จริงเลยอยู่ในโลกใบนี้ไม่ว่าเป็นวัตถุสิ่งของข้าวของเงินทองไม่ว่าจะเป็นคนคนนั้นคนนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงอุบัติขึ้นมาถึงให้พวกเราเนี่ยรู้จักตัวเอง เรารู้คนอื่นสิ่งอื่นนี้มากที่สุดแต่เราไม่เคยรู้จักตัวเองเลยพระพุทธเจ้าพูดไว้ดีมากนะคนมนุษย์อะอยู่ในโลกใบนี้จะมีเป็นหมืน่นหมืน่นแสนแส น, แสนล้นลานล้านคน มีคนสำคัญอยู่คนเดียวมีคนสำคัญอยู่คนเดียวคือตัวของเราเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราต้องทำความรู้จักกับตัวเองให้มากที่สุดคนสำคัญของโลก มีอยู่คนเดียวสำหรับเราคือตัวของเราเองเรายังไม่เคยเห็นหน้าตัวเองเลยเดี๋ยวนี้นะเห็นแต่ธาตุสีอันนี้แหละทำไมถึงว่าเขาเป็นคนสาคัญคนในโลกนี้จะมีเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนล้านล้านคน ไม่สามารถที่จะทําให้เราไปพระนิพพานได้นะไม่สามารถที่จะส่งผลให้เราไปสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้ได้คนที่เราคนที่พระพุทธเจ้าให้เราทําความรู้จักนี่แหละคนคนนี้แหละจะมีสิทธิ์ชงเราเข้าสู่พระนิพพานได้ถ้าเราปฏิบัติกับเขาให้ถูกต้อง ไม่มีใครมีอำนาจที่จะส่งคนนั้นไปพระนิพพานคนนี้ไปพระนิพพานได้ไม่มีเลยนะแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังม า, ม า, มาบมำวางเป็นแผงผังการเดินการปฏิบัติให้พวกเราปฏิบัติแล้วก็เดินตามแต่คนอื่นจะหยิบยื่นให้เราได้ไหมคำว่า ผลของการปฏิบัติไม่มีซื้อไม่มีขายนะแล้วก็ไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะหยิบยกให้กับใครใครผู้ใดได้ถึงเกิดการปฏิบัติธรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นถ้าพวกเราไม่ได้ครบวงจรที่พระพุทธเจ้าวางไว้คือปริยัติปฏิบัติปฏิเวต สามอย่างนี้อย่าได้คิดเลยว่าเราจะเจอความสุขที่แท้จริงต่อให้ท่านเป็นเจ้าของประเทศไทยคนเดียวถ้าขาดการปฏิบัติในปริยัติปฏิบัติปฏิเวศจะได้คิดเลยว่าท่านจะเจอเพราะท่านหาผิดผิดทาง ความสุขที่แท้จริงอยู่กับคนคนนี้คนเดียวตัวของเราเนี่แหละแต่เราไม่ได้ให้ความสำคัญกับตัวของเราเลยเราไปให้ความสำคัญกับคนอื่นสิ่งอื่นมากกว่าตัวเองก็เลยผิดไป ผิดไปผิดตรงนี้พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ให้พวกเรารู้จักกับตัวเองให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้คืนนี้พวกเรากลับไปแล้วจับมือกับตัวเองคุยกันให้รู้เรื่องเสียว่วาจะเอากันยังไงจะเอากันยังไงการเกิดเป็นมนุษย์นี่ ยากนะที่จะได้เกิดเกิดแล้วจะให้เกิดติดต่อกันเป็นมนุษย์สองชาติสามชาติรู้สึกว่าเป็นของยากมาเจอศาสนาสิ่งที่เจอได้ยากเจอได้ยากมากที่สุดค็ามาเจอแบบง่ายๆ ศาสนาศาสนังศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากคุณค่ามากขนาดไหนเป็นเครื่องชี้ให้พวกเราเข้าไปหาสถานที่ที่มีความสุขที่แท้จริงก็คือศาสนานี้เป็นสิ่งที่เจอได้ยากแต่ชาตินี้ พวกเราปัจจุบันชาตินี้พวกเราเจอแบบง่ายๆเลยเจอแบบง่ายๆเลยแต่พวกเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับจุดที่สำคัญเลยคือการปฏิบัติเราไปมีการให้ทานมีการรักษาศีลแต่พูดถึงเรื่องการปฏิบัตินี่หงอไปเลย ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรระดับด็อกเตอร์ระดับจับมานั่งสมาธินิ่งห อ, งอไปเลยนะ่ะเอเรื่องของกิเลสเนี่เพราะฉะนั้นพวกเรายืนอยู่ในจุดที่จะทำให้ตัวเองสมหวังได้นะ ไม่รีบตักตวงขนขวายตัดสินชาตินี้ก็จะผ่านไปอีกแล้วผ่านไปแล้วเนี่ยให้เรานึกถึงตัวเองให้มากๆว่าหลังจากการตายไปแล้วเราจะไปอยู่ที่ใด มนุษย์นี่เลอเลอเพอร์เฟเหลือลเกินหลังจากการตายไปแล้วเนี่ยไม่ได้มีเครื่องหมายชี้ชัดเลยว่าคนนั้นจะไปอยู่ตรงนั้นคนนี้จะไปอยู่ตรงนี้ไม่ได้มีเครื่องหมายเลยแล้วเราคิดบ้างไหมว่าเราจะไปเป็นอะไรจิต ด, ดวงนี้เขาเป็นเมล็ดพืชกลายพันธุ์ได้ทุกรูปแบบในส1มสิบเอดภูมินี่นะ หลังจากการตายเงินยศถาบรรดาศักดิ์เขาจะหมดอำนาจพร้อมกับลมหายใจหลังจากการตายไปแล้วเนี่ยบาปบุญนี้แหละเขาจะเป็นผู้ที่มีบทบาทมากที่สุดกับจิตวิญญาณที่ออกจากเมืองมนุษย์ไป แต่ยถ้าเราไม่ให้ความสำคัญกับศาสนาโดยหยิบยกเอาศาสนาเข้าสู่การประพฤติปฏิบัติของตนเราจะเสียการนะไม่ใช่ว่าชาตินี้เป็นมนุษย์เต็มรูปแบบทำงานอยู่ในทีโอทีออกจากเมืองมนุษย์ไปแล้วไปเป็นเทวดาก็ายังดีนะแต่ถ้าไปเป็นเปรต เ, เป็นผีนี่ก็เออ เสียท่านะเสียท่าน ะ, านะพระพุทธเจ้าก็รักพวกเราเนาะให้คิดดีพูดดีทําดีให้ทําบุญอยู่เป็นนิดนะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้กําหนดไว้เลยว่าสวรรค์ชั้นนั้นใช้บุญก้อนเท่านี้นะถึงจะขึ้นไปได้ พระทเ้ า, าก็ไม่ได้กำหนดไว้นะเท่งแต่ว่าสั่งพวกเราว่าให้ทำอยู่เป็นนิดพวกเรานั้นเพลินถ้าได้เข้าจอโทรศัพท์เราก็เอยเงียบเหมือนกับอัปปนาสมาธิเลยนะแต่ที่ไหนได้โอ๊ยเงียบ บาปบุญคุณโทษมันมาแทะทางเทคโนโลยีเป็นส่วนมากนะเด๋ยนนี้นะโทรศัพท์นี้เป็นเครื่องเครื่องตัดรอนเราเสียเวลาให้กับโทรศัพท์ปัละกี่ชั่วโมงเรารักษาจิตใจของตัวเองให้อาหารทางใจมันละกี่มื้อ รู้ไหมว่าจิตใจของเราเนี่ยเหือดแห้งอย่างที่ไม่แต่เขาตายไม่เป็นเนี่ยถึงร่างกายอันนี้จะตายไปแห้งไปเผาไปทิ้งไปจิตใจไม่เคยตายเนี่ยเราเราจะเอากันยังไงอ่ะ <c oughs> เราจะเอากันยังไงเราสงสารกันตรงนี้หละ เราสงสารกันตรงนี้กิจใจอ่ะเป็นสิ่งที่ไม่ตายแต่เราไม่ได้ให้ความสนใจกับเขาเลยนี่แหละคือบุคคลสำคัญพระพุทธเจ้าให้ฉายานามว่าศาสตาเอกของโลกไม่สามารถที่จะส่งให้เราไปพระนิพานได้นะ แต่มีวิธีให้พวกเราปฏิบัติตามมีวิธีให้พวกเราปฏิบัติตามแต่พวกเราก็อยากไปพระนิพพานแต่ไม่อยากปฏิบัติตามคําว่าพระนิพพานนี้ไม่มียานพาหนะใดๆขับเข้าไปได้เลยนะหมดสิททุกอย่าง ต้องไปด้วยอํานาจศีลสมาธิปัญญาต้องไปด้วยความบริสุทธิ์ของใจศีล ส, สมาธิปัญญาอยู่ที่ไหนศีล ส, สมาธิปัญญานี้ไม่มีตัวตนมองไม่เห็นซากอย่างจะเกิดขึ้นได้มีขึ้นได้ที่ตรงไหน ที่เขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมหรือว่าภาวนานี่แหละสินสมาธิปัญญาเนี่ยไม่มีตัวตนเป็นไตรสิกขาที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นสิ่งที่ไม่มีตัวตนนี่แหละถ้าเราทำขึ้นเขาต้องเกิดต้องมี นี่คือพระพุทธเจ้านี่ส่งใครไปพระนิพพานไม่ได้เพียงแต่ ว, ว่าวางหลักการให้พวกเราเดินตามก็คืออันนี้แหละการที่จะทำให้จิตเป็นสมาธิมันต้องมีฝ่ายสนับสนุนหลายอย่างนะหลายสิ่งหลายอย่างไม่ใช่ว่าเราจะมาทำเอาวันนี้เสร็จวันนี้พรุ่งนี้เสร็จพรุ่งนี้ไม่ใช่เหมือนนักกีฬานักมวยโลกเนี่ยอะ กว่าเขาจะได้ไปชิงแชมป์หรือว่าชนะเป็นแชมป์โลกเนี่ยฝ่ายสนับสนุนเขาไม่รู้ว่าเท่าไรเท่าไรอันนี้ก็เหมือนกันศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่จะรู้จักตัวเองก็ด้วยอำนาจศีลสมาธิปัญญานี่แหละ ศาสนาที่เป็นตัวหนังสือที่พวกเราเรียกพระไตรปิฎกหรือว่าคัมภีร์ใบลานเนี่นะมันเป็นตัวหนังสือถ้าอ่านหนังสือได้เนี่ยก็ศึกษาได้ทำความเข้าใจได้อ่านได้ศึกษาได้แต่ยังไม่ใช่ของเรานะ เข้าใจได้แต่แก้ปัญหาใจไม่ได้ดับทุกทางใจไม่ได้นับทุกทางใจไม่ได้นะศาสนานี่นะคำว่าธรรมบัญญัตินี่นะถึงจะเข้าใจขนาดไหนก็ดับทุกไม่ได้เพราะยังไม่ใช่อันนี้พระพุทธเจ้ายกมาเป็น ธรรมะบัญญัติให้พวกเราศึกษาแล้วก็ปลูกศรัทธาที่จะเดินต่อด้วยการปฏิบัติเฉยๆนะตราบใดที่เรายังไม่ได้ลงมือปฏิบัติอย่าได้คิดเลยว่าเราจะเข้าใจในธรรมธรรมะนั้นมันมีอยู่สองอย่างนะธรรมะบัญญัติก็คือตัวหนังสือนี่แหละ นี่คือธรรมะบัญญัติธรรมะนอกบัญญัติคืออะไรเต็มโลกธาตุแต่ด้วยจิตใจของพวกเราไม่มีพลังก็เลยแปลสภาพธรรมะเหล่านั้นไม่ได้เลยเมื่อแปลสภาพเหล่านั้นเป็นธรรมะไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของกิเลสความพอใจความไม่พอใจ จึงเกิดการปฏิบัติเกิดขึ้นศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนที่เราจะเข้าไปปฏิบัติว่ารู้จักตัวเองก็ยังไม่มีตัวตนเลยจิตก็ไม่มีตัวตนสติก็ไม่มีตัวตนปัญญาก็ไม่มีตัวตนสิ่งที่เข้าหูเข้าตาเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเข้าไปถึงใจไม่มีรูปแบบไม่รูปมีรู ป, ม, รปมีเสียงทั้งนั้น แต่เขาทำลายกันไปในตัวนะเราต้องมาแก้ไขกันตรงนี้นะสติต้องใช้สติเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักปฏิบัติธรรมท่านทั้งหลายจะให้ทานก็ต้องเป็นผู้มีสติท่านทั้งหลายจะรักษาศีลก็ต้องเป็นผู้มีสติ ยิ่งท่านทั้งหลายก้าวเข้าสู่การปฏิบัติธรรมสติก็ยิ่งระลึกมากใช้มากสติอยู่ที่ไหนสติตอนนี้สติอยู่ที่ไหนสติของพวกเราเป็นสติเขาเรียกว่าสติระลึกเดินตามบิกซีโรตัสเนท่านก็ไม่มีสตินะครับ ไปเพลินไปอันนี้เขาเรียกว่าสติระลึกนา น, น, านทีระลึกมาทีอยากได้อะไรก็ระลึกมาคิดคิดคิดคิดเสร็จแล้วก็ปล่อยเขาไปตามอากาศถ้ามีคนมาด่านี่มาทันทีนะ ถ้ามีคนใดคนหนึ่งมันด่าเราเนี่ยโโหสตินี่มาทันทีเลยนะปุบเลยนะความที่จะทำงานเลยอันนี้คือสติสติระลึกก็ว่าเนี่ยสติสติอันนี้คือสติระลึกแต่สติของนักปฏิบัติสติเนี่ยเขามองไม่เห็นตัวหรอก แต่เราระลึกมาได้เอามาควบคุมจิตใจควบคุมอาการของจิตนี่คือการปฏิบัตินะเราระลึกมาระลึกมารู้ตัวเดี๋ยวนี้ว่าเรานั่งอยู่เนี่ยเราคิดหรือไม่คิด ถ้าเรารู้สองอย่างนี้ก็คือสติเรามาแล้วคิดก็ต้องรู้ไม่คิดก็ต้องรู้ถ้าไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสองอย่างก็คือไม่มีสติเลยสติต้องมาอันดับหนึ่งนะการนั่งสมาธิเนี่ยสติเขาจะรับผิดชอบอยู่สองอย่าง อย่างที่หนึ่งคือรับผิดชอบร่างกายไม่ให้เขายกไม่ให้เขาสัมงกไม่ให้ให้เขาอยู่ในท่าที่ที่กำลังเป็นสมาธิกำลังนั่งสมาธิรับผิดชอบอีกอย่างคือไม่ให้จิตใจเนี่ยส่งกะระแสออกไปกินอารมณ์ข้างนอก พอเข้าใจไหมพอเข้าใจไหมลึกไปไหมสติสติเป็นเป็นทั้งหูทั้งตานะจิตส่งกระแสไปหาใครอยู่จังหวัดไหนอำเภอไหนกำลังคุยเรื่อง อ, อะไรสติจะเป็นตัวรู้ทันทีได้ยินด้วย กำลังคุยเรื่องอะไรกันรู้เลยสั่งให้เขาหยุดได้ดับได้สติตัวนี้ถ้าสมมติเรากำลังคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่สติเข้าไปหยุดเลยชั้นนี้ที่ว่าไม่ต่อสติควบคุมไม่ต่อเป็นเรื่องจิตก็ ตอบไม่ได้จิตนี้จะหยุดทันทีพอเข้าใจไหมนอ้องจิตนี้จะหยุดทันทีถ้าเราปล่อยให้เขาเสพเขาจะเป็นเรื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆรื่อๆ อ, อ, อ, อัตมาอยากจะขอบอกสักนิดหนึ่งว่าจิตนี้เขาไม่มีอะไรนะ เขาเป็นาธาตรู้เฉยๆาธาตรู้นี่แหละคือสถานที่ท่องเที่ยวของเขาถ้าปล่อยให้เขาอยู่จังนี้เขาจะไม่มีวันเป็นสมาธิจิตที่ไม่เป็นสมาธิจะก้าวเข้าสู่วิปัสสนาไม่ได้เลยไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นทำไมถึงเกิดการภาวนาการภาวนาคืออะไร การภาวนาเนี่ยไม่ใช่การที่จะมานุ่งขาวาห่มขาวเดินตามลานวัดไปเฉยๆเนี่ยไม่ใช่นะ <c oughs> การภาวน า, าก็คือการใช้สติมาต่อสู้กับอารมณ์ระหว่างจิตกับอารมณ์จิตนี่เขามีหน้าที่เสพอารมณ์คือคิด มีห น, น้าที่เสพอารมณ์เขาเป็นคนเสพติดทางอารมณ์ถ้าเราปล่อยให้เขาเสพอยู่อย่างเนี้ยเขาจะไม่มีสิทธิ์เป็นสมาธิจิตที่จะเป็นสมาธิคือจิตตัดออกจากอารมณ์แล้วก็มาตั้งไว้ที่กายตั้งไว้แล้วก็ทำให้เป็นความรู้สึกรู้สึก ถ้าสติของเราควบคุมพอนะไม่จำเป็นต้องอยู่ในท่านั่งสมาธิเลยไม่จำเป็นต้องอยู่ในท่าเดินจงกรมไม่จำเป็นต้องอยู่วัดนั้นวัดนี้ถ้ำนั้นถ้ำนี้เราอยู่ในอทีนี่ก็คือการภาวนาเต็มรูปแบบถ้าสติไม่พอจะนั่งอยู่ในถ้ำไหนก็นั่งไปเถอะ ไม่เป็นการภาวนาเลยการภาวนานี้คือการมาต่อสู้กับตัวเองถ้าเรานอกตัวเองลงไปกองไม่ได้อย่าได้คิดเลยเรื่องของพรนนิพัน์เดี๋ยวนี้เราแพ้ตัวเองมาตลอดตลอดตลอดตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีช่องทางว่าจะเอาชนะได้เลย สิ่งที่เราควรจะได้พลาดไปเพราะแพ้ตัวเองสิ่งที่มีคุณค่า ม, มากที่สุดคือธรรมะกำลังจะพลาดไปแล้วเดี๋ยวนี้เพราะแพ้ตัวเองเขาไม่มีอะไรนะจิตใจเขาไม่มีอะไรเขาเป็นาธาตรู้ ถ้าเราไม่ให้เขาคิดเขาก็จะไม่มีเรื่องอะไรถ้าเราปล่อยให้เขาคิดวันหนึ่งเป็นแสนแสนเรื่องยังไม่ข้าเลยเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งถ้าเขียนกอไก่ไว้ตัวเดียวมันก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรถ้ามีหนังสือเต็มหน้าทั้งเล่มเรื่องก็มากไป จิตใจก็เหมือนกันถ้าเราให้คิดเขาคิดไม่หยุดแล้วก็ไม่มีวันอิ่มตัวเพราะฉะนั้นเราผู้เป็นเจ้าของจะเป็นควบเป็นผู้ควบคุมเองนี่คือการปฏิบัติธรรมนี่คือการปฏิบัติธรรมเล่เหลี่ยมของใจมัรยาของใจที่สิงสถิตด้วยกิเลสตัณหาไม่ใช่ธรรมดา ไม่ใช่ธรรมดานั่งอยู่บ้านดีๆแล้นะวก็ลากโทรศัพท์มาแล้วค่ะเดี๋ยวเอาไปเจี่ยมไหมเอาไปแล้วเรื่องของกิเลสตัณหามันโอ้โหมันมีพลังมากอะ่ะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมคือการต่อสู้กับตัวเองให้พวกเราตัดสินใจแบบเด็ดขาดไปเลยเด็ดขาดไปเลย เอาโอกาสใช่ละโอกาสที่จะตักตวงสิ่งที่จะทำก็คือกายกับจิตธรรมะของพระพุทธเจ้าครบถ้วนควรที่จะเข้าถึงไหมสมควรแต่การแพ้ตัวเองยังมีอยู่ ถ้านอกตัวเองลงไปกองไม่ได้แล้วเราจะเข้าพระนิพพานไม่ได้นะถ้านกตัวเองลงไปกองนับสิบไม่ฟื้นขึ้นมาแล้วก็คือเป็นผู้ชนะโลกอย่างนี้เราแพ้ตัวเองคนอื่นนะอย่าได้คิดเลยเนี่ยคือจุดที่เรากำลังบุกพ่องอยู่เดี๋ยวนี้จะทำยังไง สติตัวเนี้จะเป็นตัวควบคุมจะเป็นตัวตัดจะเป็นตัวดึงจะเป็นตัวรู้จิตนี้เขามีหน้าที่เป็นธาตุรู้เขาจะเสพอารมณ์ไปเรื่อยๆเขาไม่รู้บาปรู้บุญถ้าสติเข้าไปบวกกันเขาจะรู้ทันทีเลยว่าอ้ออันนี้ผิดกฎหมายอันนี้ผิดศีลผิดธรรมเขาจะรู้ทันทีเลยแต่ทีนี้จะเอาให้เขาสมบูรณ จะเอาให้เขาสมบูรณ์มันก็มีอยู่อย่างเดียวคือดึงเขาให้ประจากการเสพอารมณ์เดี๋ยวนี้จิตของเราเนี่ยมันเหมือนเด็กเสพยาบ้ายิ่งเสพยิ่งเสียยิ่งเสพยิ่งควักยิ่งเสพยิ่งอยากเสพเสพวันนี้เท่านี้พรุ่งนี้ต้องขึ้นไปเท่าตัว การใช้ใจ่ายคำว่า บ, บอกว่าอิ่มแล้วพอแล้วหลุดแล้วโดยปริยายอย่าได้คิดเลยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าจะปล่อยให้เขาอยู่อย่างนี้ไม่ได้การต่อสู้คือการตัดการต่อสู้คือการตั้งการต่อสู้คือการทำเป็นความรู้สึก ถ้าอยู่ได้ น, น, นานๆเขาก็จะขาดจากอารมณ์นะถ้าเขาได้ขาดจากอารมณ์แล้วผู้ปฏิบัติสบายใครรู้ผู้ปฏิบัติรู้ถ้าจิตขาดจากอารมณ์เนี่ยเขาจะเหาะจะเหินเลยนะมาถึงตรงนี้พวกเราไม่รู้หรอกว่าจิตกับอารมณ์นี้เขาหนักขนาดไหนถ้าเขาขาดจากอารมณ์ อย่างมาตรฐานเลยเนี่จิตมันจะล่องเลยเนะมันจะลอยแบบร่างกายหยาบๆยาบนี้มันจะลอยเลยแนตะ่จะหอกลอยเลยเนะอันนี้คือจิตขาดจากอารมณ์ถ้าเขาขาดจากอารมณ์แล้วเนี่ยเขาจะสติตัวนี้ก็จะพัฒนาตัวไปจนเป็นสัมปชัญญะคือความรู้ตัวอยู่ตลอดสติ คือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวรู้แบบไหนความรู้ตัวตัวนี้พิเศษมากนะจิตที่ขาดจากอารมณ์เขาจะเป็นอัตโนมัติข้างในแล้วก็ส่งอาการนั้นออกมาให้ผู้ปฏิบัติได้รับรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเขาไม่ได้ มีอารมณ์เจือปนแล้วก็อาการอันนั้นน่ะจะส่งผลไปอีกรูปแบบหนึ่งคือความรู้สึกตัวอยู่ตลอดถ้ามาถึงตรงนี้คุณจะไปที่ไหนในโลกกระาตออันเนี้ยความเป็นสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ตลอดของคุณจะไม่ขาดสายเลย คุณจะสนุกสนานขนาดไหนทุกขนาดไหนเฮฮาขนาดไหนอยู่ในอริยบทไหนพูดคุยคือยืนเดินนั่งนอนดื่มทําพูดชิดเนี่ยเขาจะรู้ตัวอยู่ตลอดเขาจะไม่เสพอารมณ์เลยถ้าเขาไม่ได้เสพอารมณ์เขาจะเป็นยังไงนั่นแหละคือการสะสมพลังจิตพลังสติ ที่น like, ี right mm ้เขาจะไปเป็นสมาธิตอนไหนเขาจะสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆความรู้สึกตัวเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องไปละลึกอีกแล้วไม่จาเป็นต้องตัดกระแสอารมณ์แล้วก็เอามาตั้งไม่จาเป็นความรู้สึกตัวนี้เขาจะเป็นหนึ่งอยู่ตลอดความรู้สึกตัวนี้คือการสะสมพลังจิตจิตก็จะสะสมพลังไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพอถึงจุดๆหนึ่งนี้เขา ได้ชั่วโมงเขาเขาจะแสดงออกมาเลยนะเขาจะแสดงออกมาเลยคุณเอื้อมมือไปหยิบอะไรสักสิ่งสักอย่างหรือว่าเดินไปที่ใดที่หนึ่งร่างกายของคุณก็จะเกิดอาการกระด้างสักครึ่งสักวินาทีเอื้อมมือไปคล้ายๆกับเออก็หายไปนีน่คืออาการจิตเต็มที่ของการสะสมพลัง บางทีคุณยืนอยู่ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยคล้ายๆกับว่าแผ่นดินนี้โยกเป็นคลื่นเหมือนทะเล น, นี่คืออาการเต็มที่ของจิตสะสมพลังได้เต็มที่หรือเกิดอาการหมุน ค, คบบนล้ายๆกับมีพัดลมมาติดอยู่หน้าอกเรานี่หมุนเออาการเหล่านี้เป็นอาการที่ ถึงแล้วพร้อมแล้วที่จิตจะเป็นสมาธิแต่เขาจะไปเป็นตอนไหนเราให้ความละเอียดเขานิดหนึ่งถ้าอาการเหล่านี้เกิดขึ้นให้พวกเรานั่งสมาธิอยู่ที่ใดที่หนึ่งก็ได้พอนั่งสมาธินิ่งนิ่งสักนิดหนึ่งแล้วเขาจะพวดลงไปเป็นสมาธิเลยนะี่ะ <c oughs> เป็นสมาธิเลยพวดลงไปนี่ไม่ไ ม, ไม่มีระดับนะ ขั้นกาสมาธิอุปจารสมาธิถึงเข้าอั ป, ปนาสมาธินี่ไม่ใช่นะเขาปลื้ดเดียวเลยเขาจะถึงอั ป, ปนาสมาธิสว่างโลเลยเห็นแต่จิตดวงเดียวสว่างสวายอยู่อันนี้รุ่งโรจน์ช่วงชัชะวานแน่นอนนี่คืออยากให้พวกเราทําอย่างนี้จะไม่เน่นไปเกี่ยวข้องกับสมาธงสมาธิอะไรเลย ทำงานนี้ก็กําหนดไปกําหนดปายกําหนดไ ป, ดไปพูดคุยได้ถามว่าที่เรากําหนดให้เป็นความรู้สึกอ่ะสมมุติว่ามีคนนั้นคนนี้มาถามหาสิ่งของอันนั้นอันนี้เราจะคิดได้ไหมเราจะพูดได้ไหมคิดได้พูดได้ข้างในก็ยังมองได้อย่างสบายพราะที่จะเอาวิธีนี้ไปทําได้ไหม เราสงสารพวกคุณจะให้มานั่งสมาธิเช้าเย็นนิม่มพวกคุณทำไม่ได้เพราะข้างในมันมีอำนาจกว่านั่งปุ๊บลงไปเนี่ยเขามาทันทีนะเพราะจะนั่งไปทำไมพรุ่งนี้ก็จะไปทำงานเดี๋ยวง่วงเดี๋ยวหิวเดี๋ยวไอ้กระซิบกระซาบนี่ดานแรกอะนอนนอ น, น, อน คือเล่เหล่ยมของใจสุดท้ายอ้าหมอนมาไม่เชื่อลองดูนั่งปุ๊บลงไปยังไม่ถึงห้านาทีเลยดานกระซิบกระซาบได้มาแล้วเขาจะยกแม่น้ำทั้งห้ามาเลยเพราะฉะนั้นคุณทำงานอยู่ตรงนี้ให้คุณกำหนดรู้อยู่รู้อยู่รู้อยู่รู้อยู่คุณจะเห็นตัวจริงของเราในเมื่อจิตของเราสงบเป็นสมาธิอย่างเต็มภูม เมื่อจิตลงไปถึงความเป็นสมาธิอย่างเต็มพุมิแล้วเนี่ยเราไม่ต้องพูดไปถึงตรงนั้นเนี่ยจิตเขาจะอิ่มตัวทันทีเป็นพลังที่เป็นพลังที่ที่จิตไม่เคยสัมผัสแต่ต้องมาก่อนเลยอาจารมานี้ให้อาหารให้ตรงนั้นว่า อาหารทางใจที่มีโอชารสมากที่สุดคือการเป็นสมาธินะเป็นอาหารที่พัฒนาชื่อดังอาหารที่มีคุณค่ามีโอชารสทางใจคือสมาธิยังไม่พอนะการปฏิบัติประครับประคองจิตใจของตัวเองเข้าถึงความเป็นสมาธินอกจากเขาจะได้ริม รสชาติของความสุขที่แท้จริงยังไม่พอนะยังเป็นจุดเปลี่ยนเข็มทิศทางใจจากอำนาจกิเลสเข้าสู่อำนาจธรรมถึงจ ะ, จะเจริญเข้าสู่บิปัสสนาได้ถ้าเราจเจริญเข้าสู่บิปัสสนามอบงานให้เขาเขาทำไปทำไปทำไป การเดินการรู้ในความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างกับการละเขาจะไปพร้อมๆกันนะรู้มากก็ยิ่งละมากสูงมากก็ยิ่งละมากเดี๋ยวนี้พูดอย่างง่ายๆจิตใจของเราอะ่ะโดนกิเลสเอาไปใช้ เอาไปชอบคนนั้นเอาไปเกลียดคนนี้เอาไปอิจฉาคนนั้นนี่คือกิเลสเอาจิตของเราไปใช้เดี๋ยวนี้เราจะตามเอาจิตของเราเนี่ยมาขัดเกล็กิเลสออกเพื่อที่จะให้พ้นจากการเบียนบ่ายตายเกิดแล้วก็เข้าสู่พระนิพพานคือความพ้นทุกข์แต่เดี๋ยวนี้นะ่ะตามมาเนี่ย ก็คือตัดกระแสแล้วมันเป็นความรู้สึกนี้คือตามมาแล้วจากนั้นก็ทําให้เขาเป็นสมาธิเพราะเขาเป็นสมาธิก็หมุนเปลี่ยนเข็มทิศเข้าหาธรรมจิตใจที่เป็นสมาธิแล้วเขาจะไม่คิดลมกกะมุกโยกเปรดอารมณ์เก่าๆเดิมๆเขาจะไม่เสียบดยดดดโดยเด็ดขาดโดยเด็ดขาดเขาจะเสพธรรมะ เสพธรรมะนี่มันผิดแปลกกับเสพอารมณ์เก่าๆเดิมๆเนี่ยอันนี้ยิ่งเสพบางสิ่งบางอย่างนี้ร้อนพุทขึ้นมาทันทีเลยเสพธรรมะเนี่ยยิ่งเสพยิ่งเย็นยิ่งเสพยิ่งโล่งยิ่งเสพยิ่งสบายเขาหยุดไม่ได้เขาหยุดไม่ได้ยิ่งเสพมากมันมายากตั้งแต่ว่าประคับประคองจิตใจออกจากอารมณ์มาเป็นหนึ่ง เพื่อที่จะให้เขาเป็นสมาธินี่ยากแน่ไม่มีทางลัดแล้วก็ไม่มีวิชาไหนที่จะเท่ากับความเพียรพยายามเราไปเทศที่ไหนเราจะถูกถามบ่อยที่สุดคือทํำยังไงหลวงพ่อถึงจะทําให้จิตเป็นสมาธิเร็วที่สุดโออะไรจะไปสู้ความเพียรสธาเบริยสติสมาธิปัญญา เราบอกอย่างนี้นะไม่มีครูอาจารย์ไหนหลวงปู่ไหนหลวงปู่ไหนหลวงปู่ไหนตลอดไปถึงต้นฉบับหลวงปู่มั่นก็ผิดผิดถูกถูกมาเหมือนกันลักษณะล้มลุกคุกรนเหมือนกันพวกเราจะมาตักเอาเหมือนน้ำในตุ่มในไหน้นี่มันก็เกลืไปถ้าง่ายอย่างนั้น กรุงเทพก็จะไม่ได้ใช้รถแล้วหออย่างเดียวพอเข้าใจไหมพอเข้าใจไหมจิตใจเสพอารมณ์ทางกิเลสกับเสพธรรมะมันผิดกันนะมันจะเย็นลงเย็นลงเย็นลงเย็นลงไปเรื่อย ยิ่งภาวนาจิตมีฌานมียานเห็นความเป็นจริงของร่างกายตามความเป็นจริงเนี่ยว่าปฏิกูลโสโครกจริงนะร่างกายอันเนี้ยเต็มไปด้วยน้ําเลือดน้ําเหงือ่อน้ํหมูกน้ําเหลืองน้ําลายริงที่ทานเข้าไปก็เป็นปฏิกูลทานเข้าไปตั้งอยู่แล้วก็ปฏิกูลไหลออกก็ยิ่งปฏิกูลไม่มีสิ่งไหนที่จะ เป็นความสวยความงามเดี๋ยวนี้จิตมันหลงหลงด้วยอำนาจกิเลสหลงด้วยอำนาจตัณหาผลักดันให้เราขนขวายอยู่ตลอดเวลาเชื่อเขาอยู่ตลอดก็เป็นนักสแสวงหาได้มาก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งไม่ได้มาก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งใจดวงเดียวนี้ล่ะเนี่ยเขาแสดงทำให้เราดูเราอยากจะ เห็นพลังจิตของเราว่าเรามีความปล่อยวางขนาดไหนเรามีความเชื่อธรรมะของพระพุทธเจ้าขนาดไหนอันนี้ง่ายที่สุดร่างกายของเรานี่มีกายกับจิตอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไปเนี่ยจิตมันจะเริ่มไม่ยอมรับร่างกายแล้ว ร่างกายนี้ก็จะแก่งแงะลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสิ่งที่ไม่มีมันก็จะเกิดขึ้นหน้าเหี่ยวหนังย่นผมหงอกมันก็จะเกิดขึ้นแต่จิตที่สิงสถิตยอยู่นั้นเขาไม่ยอมรับเลยเขาจะยอมรับตั้งแต่เป็นเด็กขึ้นมาหาหนุ่มเขาจะยอมรับแล้วเขาภาคภูมิใจพอแก่ลงไปแก่ลงไปนี่เขาจะไม่ยอมรับกันเลย แสดงว่าจิตใจของเรานี่ฝืนสัจธรรมฝืนสัจธรรมถ้าอัดความเป็นสมาธิเข้าไปวิปัสสั ญ, ญญาณเข้าไปร่างกายอันนี้ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยคือธาตุสี่อ่ะหลวงปู่หลวงท่านบอกว่าร่างกายอันนี้มันเป็นของตายนะแต่พวกเราทั้งหลายนะมาหลงของตาย ของไม่ตายเขาไม่เอาหลงปู่ท่นานว่าอย่างนี้นะเขามาหลงของตายมาเอาของตายของตายมันก็อยู่ด้วยข้าวสุกปลาตายนั่นแหละบนไหวอย่างนี้เน่ะของไม่ตายที่มีคุณค่ามากที่สุดคือใจเขาไม่เอาเลยอย่าลืมนะสิ่งที่ไม่มีตัวตนทั้งหลายสัมผัสไม่ได้นี่นี่แหละคือจะ พิกผันให้จิตเป็นอริยะบุคคลก้าวเข้าสู่โลกแห่งอมะตะธรรมถ้าผู้ใดประคับประคองจิตใจของตัวเองเข้าถึงความเป็นสมาธิอย่างเต็มภูมิอาจจะมาบอกได้เลยว่าคนคนนั้นน่ได้ริมรสชาติของความสุขที่แท้จริงแล้ว